ความเข้าใจในวิธีการที่จะทำไม่แม่นยำมันก็ไปยากเหมือนกันนะแทบจะบอกว่าไม่ถูกเลยทบทวนกันสักหน่อยไหมวันนั้นไม่ไดส้สอนให้บริกรรมพุทโธนะสอนให้ทำเป็นความรู้สึก ความรู้สึกนี้ก็เข้าใจยากผู้มีแล้วก็อธิบายยากเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนความรู้สึกถ้าจะพูดรู้สึกข้างนอกมีคนมาด่าเราความโกรธของเรานั่นแหละคือความรู้สึกพอเขามาด่าปุ๊บ ความรู้ข้างในของเราเขาก็จะคิดคำที่จะโต้อตอบทันทีเป็นเรื่องขึ้นมาใช่ไหมใครไม่รู้จักเรื่องตรงนี้บ้างเวลาเราจะไปด่าเขาเนี่ยมีความคิดเกิดขึ้นก่อนไหม มันเป็นทั้งผู้คิดเป็นทั้งผู้ได้ยินได้เห็นความคิดอยู่ในคนคนเดียวใช่ไหมสองอย่างนี้บวกกันเข้ากลายมาเป็นความรู้สึกสองอย่างนี้คือจิตกับสตินะ สติที่จะกำหนดได้ต้องมีจุดให้เขากำหนดถ้าไม่กำหนดจุดสติก็ไม่มีจุดที่จะกำหนดเมื่อไม่มีจุดที่เชื่อกำหนดสติกับจิตก็บวกกันไม่ได้ เมื่อบวกกันไม่ได้เขาก็ต่างคนต่างไปสติก็หนีขึ้นบนอากาศไปจิตก็ออกไปเสพอารมณ์ทีนี้เราระลึกสติมาแล้วไปตามจิตว่าเสพอารมณ์อยู่ที่ไหนดับอารมณ์นั้นเข้ามาถึงฐาน จิตกับสติบวกกันอยู่ที่ฐานเป็นความรู้สึกถ้าสติตัวเดียวเป็นความรู้สึกได้ไหมไม่ได้จิตตัวเดียวเป็นความรู้สึกได้ไหมไม่ได้จิตกับสติเป็นคนละอย่างกันแต่ละอย่างก็ไม่มีตัวตนถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ความโกรธมันไปไหน เอาความโกรธมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้บุญที่ทำไว้แต่ก่อนเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่รู้กรรมที่จะมาให้ผลวันนี้พรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้ <c oughs> ก็มองไม่เห็น <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันเป็นนามอมทํา ส น, นี่เราจะไปคิดถึงมันเถอะคิดถึงสติกับจิตเนี่ยเราเดินในเซนทันเรามีสติไหมไม่มีเดินบ้าๆ บ, บ้องๆไปเฉยๆนี่แหละมองนั่นมองนี่ไปไม่มี ถ้าเกิดว่าคุณต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตาคุณไปมองเห็นเข้าสติมาไหมแต่ถ้าเขาไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อสติไปไหนเขาก็ออกไปทันทีใช่ไหมคุณก็มองด้วย อาการเหมื่อลอยปลายใช่ไหมนี่คือการทำงานด้วยอัตโนมัติของเขาถ้าเราบอกว่าพวกคุณทำงานพวกคุณทำไมไม่กำหนดเข้าไปเข้าไปเป็นความรู้สึกอยู่ที่ฐานพวกคุณก็บอกว่าทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เรามีคำถามกับพวกคุณคำหนึ่งนะ พวกคุณกำลังทานข้าวคุยกันกับหมู่คณะของคุณอยู่เนี่ยคุณไปคิดถึงคนใดคนหนึ่งทำไมพวกคุณคิดได้ถ้าคุณจะคิดมองภายในที่ฐานของพวกคุณทำไมพวกคุณจะทำไม่ได้ทั้งนั่งกันทั้งคุยกัน ทั้งคิดไปข้างนอกทั้งทานข้าวอ่ะก็ยังทำได้พวกคุณทำงานแค่นี้แค่กาหนดเข้าไปดูฐานที่จั้งอยู่ตลอดทุกวินาทีควบคู่กับการทำงานเราบอกแล้วว่าถ้าทำได้ตรงนี้พวกคุณไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องนั่ง ขับมาก็นอนตื่นขึ้นมาก็มองตัวนี้ควบคู่กันไปถามว่าตรงนี้หนละภาวนาเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยพอทำไปทำไปทาไปถึงจุดจุดหนึ่งเขาขาดจากอารมณ์ข้างนอกนะพวกเราไม่รู้หรอกว่าอารมณ์มันหนักขนาดไหนกับจิตเราจะไปรู้ ตอนที่กิตขาดจากอารมณ์ขาดนี่หมายถึงยังไงขาดนี้หมายถึงไม่คิดเอาย่อดๆนะวันนี้นะขาดนี้หมายถึงไม่คิดหูตาก็ใช้ระบบเดียวเหมือนที่เป็นอยู่นี่แหละรู้หมดเห็นหมด ได้ยินหมดแต่จิตขาดจากอารมณ์คิดจากข า, ขาดจากอารมณ์นี้เขาจะไม่คิดเรื่องอะไรเลยแต่ละวันแต่เมื่อผู้ต้องการที่จะให้คิดเขาคิดได้ไหมคิดได้เอามีเรื่องอะไรส่งให้เขาเลยเขาก็จะคิดชชดชดชด ช, ชเสร็จปุ๊บดับพับ เ่าไม่ไปไหนเลยมันมีวันขาดนะมันมีมันมีจุดที่จะเขาจะขาดออกจากกันแต่ขอให้พวกคุณดูควบคู่กับการทำงานไปเขาขาดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนอะเขาขาดกิดขาดจากอารมณ์นอกจากจะไม่เสียบอารมณ์แล้วเขานิ่งเป็นหนึ่งนะ ความนิ่งของจิตนี่ขนาดไหนลูกดิ่งยังไม่เท่าอ่ะความนิ่งของจิตี้ขนาดขนาดตัวของเราโยกขนาดนี้ไม่มีความรู้สึกว่ายกเลยนะตาก็เห็นว่ายกแต่ความรู้สึกนี้ไม่ไม่รู้สึกประโยกเลยคล้ายๆกับมันตรงแน่ว อ, อยู่เนี่ยนี่คือจิตนิ่ง ลืมตาเนี่โยกขนาดเนี้ยไม่รู้สึกว่ายกเลยนี่คือจิตขาดจากอารมณ์มานิ่งทีนี้เบาเหมือนจะเหาะจะลอยเลยนี่ขาดจากอารมณ์นะยังไม่เป็นสมาธินะนี่นะแล้วก็เขาจะแสดงออก เป็นจุดใดจุดหนึ่งให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบว่าเขาไม่ได้คิดไม่ได้หนีไม่ได้ไปตัวเนี้ยจะแสดงออกจากข้างในมาให้ผู้เป็นเจ้าของผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้อยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ สัมปชัชญะไม่ใชรร่รู้ตัวนิดเดียวไม่ถึงนาทีหรือว่าห้านาทีสิบนาทีนี้จะถือว่าเป็นสัมปชัชญะญได้ไหมไม่ได้ผู้ไม่เคยถึงสัมปชัชญะจะพูดไม่ได้เลยจะพูดไม่ได้เลยสัมปชัชญะญนี้ไม่เผยตัวแม้แต่บินาทีเดียวจะบอกให้ ไม่เผลอแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับว่าถ้าภาษาพวกเราก็ว่าสกิดกันทุกวินาทีแต่าภาษาธรรมนี่เขาเขาบอกว่ารู้ตัวทุกวินาทีรู้ตัวได้รู้ตัวรู้ตัวรู้ตั ว, ตวแต่ความคิดนี่ดับไปแล้วล่ะดับไปแล้วใครบอกว่าหยุดคิดไม่ได้อตมาหยุดมาเลยครับ พวกเรียนอภิธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยังไงเราหยุดมาแล้วหยุดมาแล้วคือธรรมะในบัญญัติกับนอกบัญญัติมันมันต่างกันมากในบัญญัติอาจจะไม่มีนอกบัญญัติอาจจะจิตหยุดเนี่ยเขาจะกลายไปเป็นสัมปัตชัญญา ถ้าพวกคุณไม่เชื่อขอให้พวกคุณนั่งเช็คดูอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะแต่เราไม่ไม่อยากให้นั่งเพราะกลัวนิมิตมันเกิดถ้านิมิตเกิดแล้วจะไปตามนิมิตจะเสียเราไม่อยากให้นั่งถ้านั่งเนี่ยจิตระดับนี้พร้อมที่จะเกิดนิมิตทันทีเดินเกิดไหม ไม่มีนะถ้าความรู้สึกอยู่ตลอดตลอดตลอดตลอดนี่ไม่มีเขาจะกลายเป็นเป็นความสัมปชัญญะที่นี้ก่อนเขาจะเป็นสมาธิอาการข้างเคียงเขาจะเกิดขึ้นหมุนไม่หมุนก็กระด้างจะเหาะจะลอยนี่ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วถ้าอาการหมุนอาการนี้ เกิดขึ้นให้ไปนั่งสมาธิทันทีนั่งสมาธิก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้บริกรรมอะไรคือเขาเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วสัมปัญญาในจิตเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วขาดจากอารมณ์โดยมาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ๆเขอทั้งสิ้นในการกำหนดขอให้นั่งเป็นท่าสมาธิถ้าอาการข้างเคียงการอาการหมุนอาการกระด้างอาการ ทั้งหลายเกิดขึ้นนี้นะแสดงว่าจิตเต็มที่นั่งสมาธิได้เลยพอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพืดลงไปเลยตัวที่ว่าความรู้สึกนี่แหละตัวที่จะลงเป็นสมาธิตัวนี้ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ่นบอกว่าตัวรู้ผู้รู้แต่ของเรากลายมาเป็นความรู้สึก พเราปฏิบัติเร <ush> <collaborations whistle. S 1> ิ่มต้นแล้วหาความรู้สึกก็มาได้ตัวนี้เราเลยให้ชื่อของตัวนี้ว่าความรู้สึกทำไมทำไมถึงให้กำหนดเพราะเจาะเข้าไปตรง ตัวที่จะเป็นสมาธิเลยตัวนี้พวดลงไปทีเดียวถึงอัปนาสมาธิเลยนะไม่ต้องชะลออยู่ที่ใดที่หนึ่งนิมิตไม่มีสิทธิ์เกิดเลยพวดไปถึงฐานเลยถึงฐานเนี่ยสังเกตว่ากายไม่มีเสียงข้างนอกไม่มีแต่สว่างสบายถามว่าอยู่ได้นานไหมบางคนก็นานบางคนก็ไม่นาน ถ้าอาการกิด จ, จะถอนขึ้นบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าถ้าลงเร็วถอนก็เร็วเหมือนกันเขาก็จะพรวดออกมาพรวดออกมาจากของการเป็นสมาธิอาการใดเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างก่อนที่จะเป็นสมาธิหลังเป็นสมาธิ รู้สึกว่าความเย็นความพิเศษทางการเป็นสมาธินี้รู้สึกว่ามีมากมายหนะมีมากมายจนผู้เทศนี้ให้ชื่อว่ารสชาติของสมาธินี้เป็นอาหารที่มีโอชารสทางใจที่พวกเราไม่เคยได้ริ้มรสชาติเลย บอกได้เลยว่าไม่ไม่เคยได้ริ้มรสชาติเลยแล้วก็มาสังเกต ด, ดูอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสถานที่เปลี่ยนเข็มทิศทางใจ <c oughs> เขาจะไม่คิดแล้วต่ำๆเขาจะหมุนขึ้นคิดธรรมะโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นพวกเราเข้าใจคําว่าความรู้สึกไหมถ้าไม่เข้าใจกําหนดไม่ถูกนะถ้ากําหนดไม่ถูกเขาไม่ไปนะกําหนดไม่พอเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ไปนะการปฏิบัติธรรมนี้สําคัญที่สุดหนึ่งความเข้าใจในวิธีสอง จะมาเส ม, สมอด้วยความเพียนจบจบกลัวพวกเราจะไม่รู้สึกไม่ไม่เข้าใจความรู้สึกมันก็ยากเหมือนกัน เ, เนาะ ยากไหมใครบ้างไม่เข้าใจความรู้สึกมีดโดน ข, ขาเราเป็นแผลเบ่อบะรู้สึกไหมเจ็บด้วยแต่ความรู้สึกที่บอกให้เอาไปภาวนาไม่มีเจ็บเจือปนอยู่นะเป็นความรู้สึก คือสติบวกกับจิตเป็นความรู้สึกไม่ใช่ว่าเอาไปตั้งเหมือนเอาแก้วน้ำไปตั้งที่โต๊ะแล้วก็ไปเลยนะว่าตัวเองได้ตั้งแล้วไม่ใช่ตั้งแล้วต้องมองอยู่ไม่เปรอแม้แต่บินาทีเดียวยกเว้นเวลาหลับอันนี้ไปแน่ อันนี้ไปแน่อย่างเช่นเราทำงานอยู่เนี่ยสติตัวเดียวนี่แหละเขาจะมองข้างในข้างนอกเขาจะรับผิดชอบได้ทุกวินาทีเลยเราขับรถไปเราเคยคิดไหมหรือว่า เอาจิตใจไว้ที่พวงมาลัยอย่างเดียวขับรถอยู่กรุงเทพอาจจะคิดไปอีสานก็ได้นะ่ะอาจจะคิดไปเมืองเหนือก็ได้ทำไมเราจะมองข้างในไม่ได้อะถ้าไม่เข้าใจมันไม่ไปถึงมาถึงมาซ้ำา้ซๆาซ่ซซกันอยู่นี้นะ่ะประเทศก็มา ถ้าไม่เข้าใจเขาไม่ไปจิตใจดวงนี้ร้อยเล่ห์พันเดี่ยมร้อยสันพันคมไม่แน่จริงชนะเขาไม่ได้จะบอกให้กี่เล่พันห้าตันหาร้อยแปดพอเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจบ้างอะ อาตมาเทศอยู่บ้านโดยเนี่ยรู้สึกว่าสิบกว่าปีเนะ่ะเราก็พูดผ่านๆไปด้วยเหมือนเราทำมานั่นแ่ะซึ่งไม่มีใครสอนเราเลยเราก็นกมาพูดแล้วก็นึกว่าเขาเข้าใจได้เกือบสิบปีมาถามความเข้าใจไม่มีสักคนเลยตายมาเริ่มต้นใหม่อะ มาเริ่มต้นใหม่มาค้นความเข้าใจแต่และคนละคนละคนละคนอ่พอไปได้เดี๋ยวนี้พอไปได้พวกเราจะเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้นะไม่ถูกจุดยิงยิงเขาไม่ไปนะจะบอกให้มันเหมือนบ้องไฟอะ่ะแล้วจุดที่ฉนวน ถามว่าฉนวนเหลือเป็นตัวพาบ้องไฟขึ้นไม่ใช่แล้วทำไมต้องมาจุดตรงนี้อ่ะก็ตรงนี้จะนำไฟเข้าไปถ้าไม่เข้าใจพวกเราก็เป็นนักฟังเทศเฉยๆนะ ถ้าไม่เข้าใจพวกเราก็เป็นนักไม่มนพระเฉยๆเราจะไม่ถึงอัดถึงทำเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าพากันชเฉยๆเถอะเข้าถึงของจริงกันเถอะเข้าถึงของจริงกันเถอะ ในสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยชาตินี้ไหนๆก็เป็นชาติพิเศษของเราแล้วทำไมถึงว่าชาติพิเศษพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่มีบุญ<อ>เกิดขึ้นมาจะมีสามสิ่งสามอย่างที่สมบูรณ์ที่สุด คือกายวาจาและใจเดี๋ยวนี้พวกเรามีสามอย่างนี้สมบูรณ์มากส่วนห น, หนึ่งนั้นคือาศาสนาก็สมบูรณ์สมบัติอันสมบูรณ์ที่สุดกายวาจาใจมาเจอาศาสนาแล้วพลาดชาินี้นี่โอ้โหไม่ต้องคุยกันเลย การเป็นมนุษย์กับศาสนาที่จะมาตรงกันแม้ขนาดนี้เนี่ยหายากหายากมากแต่เดี๋ยวนี้มันแม้แล้วเดี๋ยวนี้นะเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้นะจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาเราเกิดเป็นมนุษย์อาจจะ หลายแสนชาติถึงจะเจอศาสนาครั้งหนึ่งเนะี่ยหลายแสนชาติแต่เดี๋ยวเนี้ทั้งเจอทั้งมีสติทั้งมีผู้บรรยายให้เข้า อ, อกเข้าใจถ้าเราไม่เอาก็ โ, โมคะทันทีโมคะทันทีพวกเรารัก ตัวเองในเชิงลักษณะประมาทมากนี่นิอหน่อยถือมาเป็นปัญหาการกั้นการกา ร, รู้ทำเห็นทำทั้งนั้นเลยหิวก็เอามาเป็นปัญหาง่วงนอนก็เอามาเป็นปัญหาเหนื่อยก็เอามาเป็นปัญหาทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยวันนี้หิวไม่ต้องนั่งสมาธิวันนี้ง่วงไม่ต้องนั่งสมาธิ วันนี้เพื่อนเขาชวนไปเที่ยวไม่ต้องนั่งสมาธิแ็นปัญหาสิ่งที่จะเขา้เ า, เขาไปรู้จริง mm. เห็นจริงกันทั้งนั้นเลยถือว่างานนี้เป็นงานล้าหลังของความเป็นชีวิตพระพุทธเจ้าบอกว่าอันดับหนึ่งของงานของความเป็นชีวิตคือขัดเกลอจิตใจเราเอาไปไว้ท้ายดุดลึกๆของหัวใจอยากเป็นพระอระหรันต์เนี่ย มันก็เออมันนี้ให้พวกเราค้นหาความจริงจากตัวของเราเถอะมันมีบุคคลคนหนึ่งตั้งตัวเป็นนักหลอกลวงต้มตุนอยู่ข้างในอะ่ะประจําตัวของเราอยู่ตลอดนี่คือนักเลงประจําตัวเขาจะปฏิเสธสิ่งที่เขาจะ ล้มเหลวเหมือนกันน่ะเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงถ้าพวกเราขี้เกียจขี้ค้านน่ะขาดทุนนะชีวิตไหนๆเราก็อายุมาถึงขนาดนี้แล้วจะเอาประเทศ <c oughs> จะเอาประเทศเป็นของส่วนตัวสักครึ่งประเทศก็ยังไม่ได้เลยเมื่อมันเป็นลักษณะนี้หันหน้าเข้าหาธรรมเทอะเราว่านะ อันหน้าเขาหาทำเธอสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งตลอดกาลต่อให้เขาตัดประเทศไทยให้คุณครึ่งหนึ่งคุณยังไม่ได้เป็นที่พึ่งตลอดกาลเลยอายุขนาดนี้มันจะพรองไปได้สักกี่ปีถ้าธรรมะทีเดียะหมดเวลาเสียแล้วเมลาขนาดนี้แล้ว ถ้าเข้าหาธรรมะจะกลายเป็นที่พึ่งตลอดกาลนะเพราะเรารอใครเพราะเรารอใครอันนี้ก็เลยไม่ได้ชี้ให้ดูเลยเนาะอ๋ะอะตัดเข้ามาใครเราอยู่อยู่ตรงไหนใครไม่เข้า ใจอันนี้จะตัดเข้าไปแบบปริยาติครึ่งหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเนะเาะพอให้เป็นความเข้าใจศาสนานั้นมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างนะอย่างที่หนึ่งคือศาสนาวัตถุ ก, กับศาสนาสถานศาสนาวัตถุ ก, ก็ได้แก่บูตสลาเจดีวิหาร ประกอบไปด้วยสถานศาสนสถานก็คือวัดบาอารามนั่นแหละอยู่ที่เดียวกันอย่างที่สองก็คือศาสนาพิธีพิธีตัดรูปนิมิตฉลองบวชบวชหน้าทอดกระทินทอดพระปาฉวดพระอภิธรรมนี่คือศาสนาพิธีทั้งนั้นศาสนอีกศาสนาหนึ่งนั้นคือศาสนาธรรม าศาสนธรรมก็คือคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่สี่คือาศาสนบุคคลก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายนี่แหละอันนี้คือองค์ประกอบของศาสนาศสาสนะวัตถุาศาสนสถานเดี๋ยวนี้มันจเจริญไปด้วยวัตถุโอกงามไป เพราะพระก็ไม่อยากภาวนาพระจะสร้างวัตถุออกหน้าออกตามากกว่าสร้างธรรมะขึ้นที่ใจโยมก็เป็นใจเห็นพระนั่งภาวนาก็จะมองพระรูปนี้ว่าไม่มีบารปี เห็นพระสร้างสละใหญ่ๆก็จะไปเข้าใจว่าพระองค์นี้มีบารมีเอาเงินไปถวายทานรู้จักไหมว่าคำถวายทานนี่คือยุยงส่งเสริมเหมือนรตรตเอรี่นี่แหละคนไหนออกรางวัลที่หนึ่งก็จ ะ, จะามาลงเฟซบุ๊ก หารู้ไหมว่าลงเฟซบุ๊กน่นคือยุยงส่งเสริมคนที่ไม่ถูกก็เหมือนงวดหน้ามึงกูต้องไม่งวดไหนก็งวดหนึ่งนะกูต้องถูกแน่แล้ววันที่หนึ่งพากันตึมซื้อหวยงวดไหนก็หาเงินจ่ายงวดให้เขากินหัวไม่ได้กินกับเขาเลยม่จะเขากินหัวตัวเอง อันนี้ก็เหมือนกันพระทำดีเราก็ไม่ส่งเสริมเสียไปส่งเสริมพระที่ทำอีกอย่างหนึ่งทีนี้าศาสนาพิธีาศาสนพิธีนี่ก็มากขึ้นวันเกิดวันตายของครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นวัดนั้นวัดนี้จะร้องบทชลร้องเจดีจลรองฉลร้อง พิพิธภัณฑ์พระก็วิ่งตามพิธีรีตองไปหารับซองเมื่อเป็นอย่างนี้าศาสนาธรรมก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจะพาเขาไปนั่งสมาธิหรือโอเเขาไม่เอาเป็นลักษณะนี้ยยุยงส่งเสริมาศาสนาวัตถุเพิ่มเติมาศาสนาพิธีให้เกิดขึ้นพระ มีกิจนิมนต์มากก็เลยไม่ได้ภาวนาเมื่อไม่ได้ภาวนาคุณภาพของาศาสนาบุคคลไม่มีเมื่อคุณภาพาศาสนาบุคคลไม่มีาศาสนาธรรมอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงาศาสนาของพวกเราก็เลยหย่อนลงหย่อนลงเดี๋ยวนี้สุดลงพระพุทธเจ้าบอกว่ า, าศาสนาสุดลงแต่ละครั้งเนี่ย มากกว่าเก่าจะเริ่นขึ้นแต่ละครั้งนี้ไม่เท่าเก่าเลยนั้นก็จะเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ซุดลงจะเริิญนขึ้นแล้วก็ซุดลงแต่ซุดลงนี่มากกว่าเก่าจะเริิญนขึ้นไม่ไม่เท่าเก่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมันเป็นลักษณะนี้แล้วาศาสนาก็ แหลมไปเลียวไป ท, ทั้งทั้งที่ผู้ถือศาสนาไม่ตั้งใจสลัดทิ้งมันก็หล่นอันนี้คือพระพุทธศาสนามีห้ายุคนะพระพุทธศาสนามีห้ายุคหลังจากพระพุทธเจ้าพอไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ อันนี้พูดในเวลาน้อยหนอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ตั้งศาสนานะไม่มีไม่ไม่มีศีลไม่มีคำว่าภาวนานะพระพุทธเจ้านะีนะ่ะก่อนออกบินทบาทนี่มีหน้าที่มีพุทธกิจ เลงยานดูสัตว์โลกถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับพระญานของพระองค์พระองค์จะรู้ทันทีเลยว่าคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จไปโปรดถ้ากไกลก็ไปด้วยกายทิพย์ถ้าใกล้ก็ไปด้วยกายหยาบก่อนจะไปโปรดคนคนนี้ยพระพุทธเจ้าต้อง ตรวจดูสันดานและว่สาสันดานซก่อนเมื่อเคยสร้างบา ร, รมีอะไรมาไปโปรดเนี่ยควรใช้ปราชกถาธรรมไหนพอไปถึงยกปรกาชกถาธรรมขึ้นพูดยังไม่ได้อธิบายเลยสําเร็จแล้วสําเร็จสําเร็จสําเร็จสําเร็จสําเร็จสําเร็จสําเร็จไปถ้าหลายคนต้องตรวจดูว่าใครจะเกิดอุบัติเหตุก่อนต้องไปเอาคนนั้น ทำอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดทำสุดท้ายทำหลายปีสุดท้ายไม่มีใครมาเกี่ยวข้องกับยานของพระพุทธเจ้าเลย <c oughs> พระพุทธเจ้าก็บอกว่า <c oughs> ออคนฉลาดหมดแล้ว ที่เหลืออยู่นี้ก็เขาไม่ฉลาดหรอฉลาดเหมือนกันแต่เขาฉลาดน้อยเทศสามวันสามคืนก็ยังไม่สาเร็จทีนี้ทำยังไงยุคที่คนฉลาดไปหมดแล้วนั้นเขาเรียกว่าวิมุตติยุควิมุตติยุคยังไม่มีาศาสนานะ พระพุทธเจ้าก็มานั่งตรองดูว่าเอคนฉลาดไปหมดแล้วที่เหลืออยู่เนี้ยจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยมาวางไตรสิกขาขึ้นมาคือสินสมาธิปัญญาขึ้นมาสินสมาธิปัญญาเนี่ยพวกที่เหลืออยู่เนี้ย ให้เขามารักษาศีลศีลของเขาบริสุทธิ์แล้วให้เขามานั่งสมาธินั่งสมาธิจิตเขาเข้าถึงความเป็นสมาธิเขาก็จะเห็นอริยสัจของเขาเองก็เลยมาบัญญัติไตรสิกขาขึ้นเขาเรียกว่าสมาธิยุกยุคพวกเราอยู่เดี๋ยวเนี้ยแต่มันเป็นท้ายๆแล้ว มันใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรารีบหน่อยนะ ร, รีบหน่อยมันจะไม่ทนันเขาเรียกว่าสมาธิยุกสมาธิยุกนี่ต้องเจริญสมาธิอย่างพวกอย่างอาตมาอธิบายไปนั่นแหละ จะเริญนสมาธิแล้วกิจเป็นสมาธิก็เก่าเข้าสู่ความเป็นวิปัสนาความเป็นวิปัสนารู้แจ้งเห็นจริงคือการละไปพร้อมๆกันรู้สูงก็ละสูงรู้มากก็ละมากรู้หมดก็ละหมดเลยเข้าใจไหมเหตุพอผลต้องพอเหตุเต็มผลต้องเต็ม เหตุไม่พอทำอยังไงให้ผลกวามหม่พอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหตุต้องเสมอผลอยู่เสมอเหตุบริสุทธิ<อ>์ผลไม่บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องการคนจริงทำจริงรู้จริง ว่าเราจะเป็นคนสุกเอาเผากินจะไปไม่ได้นะจะไปจำหนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะต้องการคนจริงทำจริงไปจริงรู้ทำสุกเอาเผาจริงจะได้ของหลอกลวงตัวเองนะกลับมาอีกนะมิสมาธิยุก สมาธิยุกใกล้ๆจะหมดแล้วพวกเรานี้ท้ายแล้วนะท้ายสมาธิแล้วยุคต่อไปคือศีลยุกยุคต่อไปนี่ไม่มีการภาวนามีการถือศีลอย่างเดียวเอาหลักของความห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์มาอวดกันเฉยๆนะอย่างที่พูดเมื่อเช้านี่แหละอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยศีลไม่สมบูรณ์ด้วยการสมาทานนะ สินสมบูรณ์ด้วยการสังรวมระวังตรงไหนเป็นสินตรงไหนเป็นสินห้าข้อที่บัที่พูดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวมุสาบารดื่มสุราเมรยัยอันนี้คือหัวเชื้อของกิเลสนะที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครล่วงละเมิด เข้าใจไหมเข้าใจไหมอันนี้คือหัวเชื้อของกิเลสสินอยู่ที่ไหนสินอยู่ในอยู่ที่ความรักษาให้สมบูรณ์ถ้ารักษาห้าข้อนี้ให้สมบูรณ์สินจะเกิดขึ้นอีกแี่หนึง่งพอเข้าใจไหมเฮะ เข้าใจไหมตัวที่พระพุทธเจ้าห้ามนี้คือหัวเชื้อของความชั่วความสมบูรณ์ในการรักษาสิงจะเกิดเป็นสินขึ้นมาเอ๊ท่านจะงงกันหลายคนน้่นนี่นะความรักษาห้าข้อให้บริสุทธิ์สินถึงจะเกิดขึ้นมางงแล้ว หลวปู่หลวงท่านก็นพูดอย่างนี้แะอันนี้เขาเขาเรียกว่าศิลยุคจะมาอวดกันแค่ตรงนี้พูดถึงเรื่องของสมาธิอย่าได้ไปพูดกันเลยเป็นสิ่งโต้แย้งเสียงกันเกิดปัญหาโลกเกิดขึ้นเลยยุคนี้น่ะเขาเรียกว่าศิลยุคยุคต่อไปคือสุตยุคสุต ศึกษาเล่าเรียนจะไม่เอาสินแล้วทีนี้นะขาดจากสินแล้วก็มาศึกษาท่องหนังสือแข่งกันแต่งหนังสือหลอกโยมโยมทั้งหลายจะถูกหลอกตั้งแต่ยุคนี้เป็นต้นไปสองยุคสุดท้ายนี่โยมถูกหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกนะตั้งใจให้หลอกด้วยแม่เน คือแต่งหนังสืออยากได้อันผาดอย่างเงี้ยแต่งหนังสือเรื่องชานเรื่องยานอิงพระพุทธเจ้าเป็นเหตุโยมก็ตุม่มแหกันให้ซึ่งไม่มีการภาวนาเลยยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายคือทานยุคจะมีแต่การให้ทานอย่างเดียวทีนี้นะ ทานนี่ไม่มีอันใหนจบเนี่ยให้ทานพระก็จะปฏิบัติตัวเหลวเละจากยุคที่สามจากยุคที่สี่ที่ห้ามาเนี่ยพระจะปฏิบัติตัวเหลวเละพระมีเงินจะไม่ปฏิบัติธรรมศาสนะวัตถุศาสนะพิธีศาสนะธรรมศาสนะบุคคลไรคุณภาพทั้งหมดเลย จะเป็นเหลวเละที่สุดก็คือาศาสนาห้ายุคนี่แหละนี่เดีย๋ยวพวกเราให้ใหจําไว้พวกเรายังทันสมัยอยู่เสมอนะเดี๋ยวนี้นะยังทันสมัยอยู่เสมอยังเป็นยุคของสดสดร้อนร้อนอยู่พันิพานนะเดี๋ยวนี้พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกันทํางานทีโอทเหมือนกันแต่งานส่วนตัวของเราทํางานระดับพันิพานนาะเดี๋ยวนี้นะ พอรู้ตัวบ้างไหมถ้าปฏิบัติทมอยู่อย่างนี้ตลอดถือว่าทำงานระดับพนิพาณ น, นะความขี้เกียจขี้ค้านนะ่นนะเอามันทิ้งไปอันนี้อะไรเหรอสมาธิยุคสมยปัจจุบันสมาธิยุคอออสมาธิ ถ้าทำไม่ได้มันก็จะกลับมาอีกนะแต่ไม่ใช่ว่าตายแล้วมาเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนขอบกระดง่งมันจะบนความไกลของการบนใช้เวลานา น, านไหมนานการบนนี้มีพบไหนบ้าง มีทุกพบเลยอยู่นั้นนะ่ะยกเว้นมนุษย์มนุษย์นี่นานนานทีจะเข้ามาครั้งถ้าเราออกจากเมืองมนุษย์ไปไปไปอยู่พรหมโลกถ้าหมดบุญจากพรหมโลกแล้วไปที่ไหน สมมุติว่าเราเรามาเกิดเดี๋ยวนี้เราทำดีบ้างชั่วบ้างปนเปื้อกันไปแต่หลังการตายจิ ต, จตไปพระวักภูมบงอยู่กับบุญก็เลยเอาบุญไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อหมดจากเทวดาแล้วไปไหนบาปที่เหลืออยู่เราโ อ, อนให้ใคร ไม่ได้ถือลงไปทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมทิ้งไม่ได้ต้องใช้อย่างเดียวต้องเอาอันนั้นลงไปก่อนมันก็วนไปอยู่อย่างนี้หลวงตาบ้านบอกว่าสูงสู ง, สงต่ำๆ่ำรุ่มรุ่มนๆนส่วนมากจะประกอบด้วยทุกหาสถานที่ที่ตายใจไม่มีเลย พราะเรายังจะไปกันอยู่เหรอแล้วว่ากราบดีกว่านะแล้วว่ากราบดีกว่านี่คือผู้ทำไม่ได้ผู้ทำไม่ได้จะบุกวนอยู่ในวัฏจักรคาว่าวัฏจักรก็คือโลกหลอกลวงใบนี้แหละนี่าโลกใบนี้วัฏจักรทั้งหมดเนี่ยใครอยู่ในมุมไหนของวัฏจักรนี่ ถูกหลอกอยู่ทุกบินอาทีไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหลอกพวกเราอยังหลอกมาถึงการเป็นมนุษย์แล้วยังจะหลอกเราต่อไปอีกนะถ้าเราไม่ยอมให้หลอกก็คือพุโทโธอย่างเดียวถ้าเราไม่ยอมให้หลอกก็คือกําหนดจิตให้ใสบริสุทธิ์อย่างเดียวหลอกคนกลุ่มนี้ไม่ได้คนกลุ่มนี้เราจะแหกสนามวัฏจักรออกไปได้เอาส่วนผู้ที่ทําได้ ผลที่ได้รับปฏิบัติอยู่เนืองๆได้โสดาบันจะมีสี่ระดับอ่ะโสดาบันสกิทาคาณาคามีโสดาบันสกิทาคานาคามีอะรหันสิระยุคสุตยุคทานยุค อันนี้จะเกิดพระโสดาบันขึ้นนะได้สามยุคนี่จนพ้นไปได้นะจนพ้นไปได้อนาคามีอนาคามีเนี่ยถ้าใครเดินมาถึงอนาคามีแล้วไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงไปอยู่ ไปอยู่พม่าโลกแล้วต่อเข้าพระนิพพานเลยนะพวกที่เป็นโสดาบันกับสกีทาคาเนี่ยโสดาบันนี้จะกลับมาเจ็ดชาติสกีทาคานี่กลับมาสี่ชาติสี่ชาติ สวนาบันสกิทาคามีเนี่ยเกิดขึ้นมาจะเจอาศาสนาหรือไม่เจอาศาสนาก็สำเร็จได้ภายในเจ็ดและสี่จะเจอไม่เจอไม่สำคัญพึ่งตัวเองได้หมดส่วนาบันนี้ไปไปติดค้างอยู่พมโมโลกชาตินึ่ง พอหมดอายุไขของพรหมโรกเข้าสู่พานิาพานเลยไม่ได้ลงมาเมืองมนุษย์ไม่ได้ลงมาที่ไหนอีกแล้วแต่โสดาสกีธาคานิมกำหนักๆไม่สามารถที่จะเล่นเราได้แล้วถึงแม้ว่ากลับมาเกิดอีกก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้สุดท้ายก็หนีกรรมทั้งหมดเลยอ่าพวกเราจะเอาอยัางไง อย่างน้อยๆก็โสดาแนละ้วโสดาบันนี่ก็เออเก็ยชาตินี่แต่นานนะราษีอรรยะว่าเป็นพระพุทธเจ้าจบลงไปแล้วไม่รู้มันจะไ ด, ได้เกิดหรือไม่ได้เกิดไม่รู้นะหลายกลับหลายกันเหมือนกันนะแปดมืนปีของพม่าโลกเท่ากับบันหนึ่งของเราอ่ะ แปด0มืปีแล้วต่อไปต่อไปโอ้อันนี้ใช้เวลายาวนะขอบด้วยชานด้วยยานนี่นะอันนี้ต้องผู้ปฏิบัติเข้าถึงความเป็นวิปัสสนาญาณเนนะี่ยจิต หลังจากกีจเป็นสมาธิแล้วเข้าเข้าสู่ความเป็นวิปัสนาจนถึงเป็นวิปัสนาญาณจะเกิดความรู้สองประเภทนี้จะเกิดความรู้สองประเภทนี้ประเภทที่หนึ่งคือความรู้ประดับความรู้ประดับนี้คือความรู้ยังไง ความรู้ประดับนี้คือความรู้ผลมีความเป็นชาญเป็นญาณซ่อนเลนอยู่ในการปฏิบัติทำให้จิต ด, ดวงนี้สามารถเป็นความรู้พิเศษอย่างเช่นอุบัติเหตุจะเกิดได้กรุงเทพวันนี้กี่ครั้ง เมื่อว่าร้อยครั้งมีคนตายกี่จุดเขาจะรู้ไปเลยเขาจะรู้จะเห็นไปเลยเป็นขึ้นมายังไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเลยตัวนี้เห็นหมดแล้วทั้งที่เห็นหน่ะยมกิติรู้หมดเลยมาจากที่ไหน สิบชาติที่แล้วรู้หมดเลยว่าเป็นอะไรบ้างนี่เรียกว่าความรู้ประดับเดินไปเฉยๆในสามตัวทายก็ลอยมาเลยนี่คือความรู้พิเศษความรู้ประดับความรู้ประดับคือความพิเศษของ จ, จิตใจกลายไปเป็น ความรู้ความเห็นของใจเคยมีไหมใครเคยเห็นบ้างไม่มีเนาะบางที่บางจุดเป็นมีนะนโดยตามานมีนะไม่น่าอามาที่เยยหรอก อันนี้เขาเรียกว่าความรู้ประดับตอทีนี้ความรู้ความรู้ถอดถอนความรู้ถอดถอนนี่คือยังไงความรู้ถอดถอนนี่ก็เริ่มต้นจากการเป็นสมาธิเหมือนกันนะ่ะ แต่ก้าวเข้าสู่ความเป็นนิพพสนาเขาก็จะมารู้ในระบบของความเป็นนิพพสนานี่นะ่ะเขาเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงต่างกายอันเนี้ยมันจะรู้ว่าปฏิกูลสูโครกขนาดไหนเต็มไปด้วยน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเหงื่อน้ำหมูกน้ําลายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาหารใหม่อาหารเก่า ถ้ารู้อย่างนี้เป็นความรู้ถอดถอนเห็นอสุภะอสุพังเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทายาณความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนั่นอันนี้เขาเรียกว่าความรู้ถอดถอนความรู้สองอย่างนี้จะบอกความสําคัญให้ถ้าผู้มี ไปตั้งอยู่ความรู้ประดับไปหลงมัวเมาอยู่กับความรู้ประดับซึ่งคนทั้งหลายจะให้ความนิยมชมชอบในการรู้กรรมของคนนั้นรู้กรรมของคนนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พูดอะไรก็รู้สึกว่าแม่นยำไปหมดถ้าคุณมายืนอยู่ตรงความรู้ประดับนี่คุณตายแน่ คุณจะตายเปล่าตายเหมือนคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะเสื่อมลงไปพร้อมๆกันเลยทั้งความรู้ประดับทั้งความรู้ถอดถอนถ้าคุณมาตั้งอยู่ความรู้ถอดถอนอันนั้นเห็นก็เห็นไปรู้ก็รู้ไปมีก็มีไปพอพูดได้ก็พูด พอพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้ามายืนอยู่ความรู้ถอดถอนเนี่ยความรู้ถอดถอนก็จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเมื่อความรู้ถอดถอนเจริญก้าวหน้าความรู้ประดับยิ่งมีวงกว้างในการรู้การเห็นสุดท้ายสุดท้ายความรู้ถอดถอนก็พาจิตดวงนี้ เข้าถึงความบริสุทธิ์ของใจนะไม่ใช่ความรู้ประดับนะอันนี้พวกเราจะงงนิดหนึ่งเพราะเราสอนเพราะเราสอนระดับนะอีกระดับหนึ่งนะพวกเราจะ ง, งงนิดหนึ่งแต่ก็พอจับใจความได้ดูสายตานะอวารู้ประดับกายหยาบโอ้โหนี่ที่ใบคงไม่เข้าใจมั่งนี่ อีกอีกขั้นอีกตอนหนึ่งอีกอ่าอันนี้จะเข้าใจอันนี้จะเข้าใจทางดำเนินจิตนะปัญญาเจโตวิมุตติเศษสุดคือเมตตาเจโตวิมุตสุขวิปัสสโกเดินแห่งความหลุดพ้นบรรยากาศนอกวัตจักร บรรยากาศนอกวัดอะโอ้เขาจะยากนะอันนี้นะอาจารย์ไทยมาเยอะเลยตอนนันฮะอาจารย์ครูบุญแดงท่านไทยมาเยอะตอนที่วัดลอยไม่เยอะนะมันระดับต้นเราไม่ได้ให้มาไงจิตทั้งหมดมันมีห้าระดับอ่ะ ระดับปกติธรรมดาระดับถูกจับมาบริกรรมระดับปล่อยคำบริกรรมระดับก้าวเข้าสู่คณิกะอุปจาระอปนาสมาที่มีหมดนะเราเราเขียนไว้หมดแต่อันนี้อยากให้พวกเราดูสักนิดหนึ่งว่าพุทโธหายลมหายใจหายเนี่ยจิตปกติเนี่ยจิตปกตินี้คือจิตไม่ได้ ภาวนาอะไรนะเขาจะอยู่ตามธรรมชาติจิตปกติทําไมถึงเป็นกลัวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขั้นอีกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิที่อาจะมาให้กําหนดตัดขั้นอกาสมาธิกับอุปจารสมาธิออกเลยนะเขาจะพรวดเดียวลงไปถึงอัปนาสมาธิเลยนะ เขาจะไม่มีระดับเลยเขาจะพูดเดียวเลยจิตปกติถ้าเราปริก ร, รมหรือว่ากำหนดอยู่บ่อยๆ อ, ยอะ่ะเขาจะมาเขาจะมาอยู่ตรงที่ว่าพุทโธหายลมหายใจหายนี่นะตรงนี้จะขาดจากอารมณ์แล้วนี่เป็นสัมปชัญญะแล้ววิธีการพุทโธหรือว่ายุบหนอ่อพองหนอสัมมาอารหังกาหนด เป็นความรู้สึกดูลมหายใจกําหนดเป็นความรู้สึกอันนี้เป็นวิธีการใครจะเอาวิธีไหนก็ได้ส่วนจิตที่จะเป็นสมาธินั้นลงที่เดียวกันสมาธิเต็มภูมิที่เดียวกันใครจะเอาวิธีไหนมาทำก็ช่างจิตเป็นสมาธิลงที่เดียวกัน คำว่าอัอปปนาสมาธินี่เป็นจุดเดียวกันทั้งหมดทั้งโลกใครจะไปทำอย่างไงก็ลงที่เดียวกันพอเข้าใจไหมไทีนี้พอจิตถอนจากสมาธิขึ้นมาขึ้นมาอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สนามวิปัสนาคือคือ พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้เขาเรียกว่าสนามวิปัสนาพิจารณาจํานี้อยู่หลายอย่างผู้มีสมาธิขึ้นมาแล้วย่อมมีวิปัสนาเกิดขึ้นวิปัสนาในี่ใครจะมาเจริญสุขวิปัสสโคเมตตาเจโตวิมุตต์ปัญญาเจโตวิมุตต์ะอะไรก็ช่างจะมาเจริญวิปัสนาตรง นี่แหละสนามวิปัสนาเนี่ยพอสําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลหรือว่าพระอรหันต์นี่จะออกที่เดียวกันเหมือนกันออกที่เดียวกันเหมือนกันพอออกไปแล้วความพิเศษในการพิจารณาอยู่ในสนามของวิปัสนา this ความพิเศษของแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันพระอรหันต์สำเร็จออกไปแล้วเนี่ยความความพิเศษจะไม่เหมือนกัน บางองค์ก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยบางองค์ก็เห็นครอบจั ก, กรวาลรู้เหมือนจั ก, กรวาลเลยบางองค์ก็ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเห็นหมดได้ยินหมดคือความพิเศษต่างกันมากแต่ความสาเร็จนี่เหมือนกันเสมอกันเลยเสมอกันเลยถ้าอารหันเนี่ย ความสะอาดทางใจบริสุทธิ์ทางใจนี้เสมอเหมือนกันหมดเลยแต่ความพิเศษทางรู้ทางเห็นนี้ไม่เหมือนกันออกไปแล้วอ๋อแดงมันกันเห็นบรรยากาศแห่งมันบรรยากาศนอกวัดตาจัดใครเคยไปบ้าง <c oughs> บรรยากาศนอกวัดตาจัดนั้นอธิบายยากจะ เราก็ไม่อยากอธิบายคือปัญญาชนบางกลุ่มบางจำพวกเขาไม่เชื่อยังต่อท่านด้วยนะจิตที่อยู่สนามของความเป็นนิพพสนาอยู่เนี่ยยังมีกายอยู่นะยังมีกายอยู่นะจิตถ้าได้ออกไปดินแดนแห่งความหลุดพ้นเนี่ยจะไม่มีกาย ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายไม่ได้เอากายไปด้วยทั้งทๆที่ยังไม่ตายถ้าออกจากตรงเนี้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอากายออกไปด้วยพอที่จะเข้าใจไหมใครที่จะไปชมบรรยากัดนอกวัดตะางให้ทิงกายทันทีนะ ให้ทิ้งกาย ท, ทันทีให้เขาเอาใส่เลยแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์จะทิ้งกายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะออกได้นะพอเข้าใจไหมถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีสิทธิ์ออกคนที่มีจิตใสสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นจะออกไปได้ มีบิ๊กซีไหมรู้สึกว่าไม่มีนะ <c oughs> เซนทันก็ไม่มีแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> เราก็นึกว่ามันไม่ไม่มีอะไรนะแต่มันก็มีอะไรตั้งมากมายนะโดยเฉพาะอารมณ์ธรรมหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าอะมาตะ ธรรมารรมตาธรรมนี้แน่นเอียดเลยนะแน่นเลยแต่ว่าเอมันขนาดนี้เหรอแต่จะเอามาเป็นคำพูดบรรยายไม่ได้สักจุดเลยเอามาเป็นคำพูดไม่ได้เลย ไม่ได้ไม่มีสิ่งไหนที่จะหยิบมาเป็นคำพูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังเลยถ้าอาตมาพูดออกไปโยมก็จะหัวโะคือถ้าอาตมาว่าเก้าอี้ตัวนี้ไม่มีโยมก็โยมก็ค้านทำทีละ แค่จิตสงบเอาแค่จิตสงบยังไม่เป็นสมาธิเลยสงบวับวับแอ่ะออกมาบินธบาตบางวันนี่โอ้โหแทบลนรถชนกันตายถ้าจิตไปถึงความสงบระดับหนึ่งคล้ายๆกับว่าออกมาบินธบนัติเอ๊ะทำไมคไมมีคนเลยเหรอตั้งใจบองดีๆมันก็คนอย่างเก่านั่นแหละเพียงแต่ว่าจิตของเราเข้าไประดับหนึ่งมันก็เลยเงียบไปหมด ทีท่ไปถึงแล้วกลับมาเนี่ยเพื่อนสนิทกันคุยกันอยู่ทุกวันยั ง, ย, งยังจำไม่ได้เลย <S <S ยังจำไม่ได้เลยใครอันนี้ใครอ๋อเขาชื่อนั้น เรานึงไปถึงพ่อเราที่บ้านเอ๊พ่อเราเป็นใครพ่อเราก็เป็นจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอยู่ในวัฏจักรเหมือนกันนั่นแหละียงแต่ว่าปัจจุบันเขาเป็นพ่อเราเอาได้คําตอบชัดเจนมากปัจจุบันเขาเป็นพ่อเราเอ๊ มันมาแปลกตรงที่ว่าจะฉันข้าวกําลังจะเอาข้าวใส่ปากนี่นะคล้ายๆกับว่ากําลังจะป้อนอีกคนอะ่อะทั้หยิบของในบาทจะใส่ปากตัวเองนี่ความรู้สึกคล้ายๆกัจ ะ, จะป้อนอีกคนหนึ่งอันนี้เออ อันนี้ดูมันขนาดนั้นนะโลกนี้ถูกปฏิเสธหมดเลยถูกปฏิเสธหมดเลยหนทางก็เห็นอยู่รถก็นั่งอยู่คันหนึ่งคันที่แสงที่สวนก็เยอะมันจะขนาดไหนอะ พวกเรารอใครกำลังรอใครอยู่แต่ว่ า, าตรงนี้ให้ความเป็นศีลเป็นธรรมให้ความถูกต้องให้ความพวกเรารออะไรอยู่ไม่มีใครเบียดเบียนใครเลยตรงนี้พวกเรารอใครอยู่หรือจะ <c oughs> มาเกิดมาตายอีก ตายบันนี้เกิดพรุ่งนี้เลยจะเลือกเกิดกันที่ไหนอ่ะตายเดี๋ยวนี้เกิดพรุ่งนี้เลยให้เลือกเลยอ่ะจ้างอะไรอีกก็ยิกงอย่าเป็นตัวเบื่อนายเข้าไปอีกอ่ะเราว่ามาถึงขนาดนี้แล้วจะปล่อยให้ตัวเอง ตายเหมือนนกเหมือนกาเหรอไมอ่แล้วนะไม่แล้วเราไม่มีเวลาเ้าเมเรามีเวลาเราพาพวกคุณกําหนดจิตแล้วไล่กันเป็นลายเป็นลายไปเลยทำยังไงเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าใจาความรู้สึกเยอะนะ่ะห น, นิถ้าไม่เข้าใจตัวนี้เดินไม่ได้นะเรื่องจิตเดินไม่ได้เลย ให้คุณกำหนดเป็นลูกแก้วสีสีอะไรก็ได้ให้เขาวิ่งอยู่ในร่างกายอะวิ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วหาจุดหยุดให้เขาหยุดจุดหนึ่งพอได้ไหมอันนี้หาจุดที่ให้เขาหยุดได้จุดหนึ่งง่ายๆสำหรับการมองของตัวเอง สมมติว่าเอ้าสมมติว่าคุณมีของมีราคาสิ่งหนึ่งแต่คุณไม่รู้ว่าคุณเอาไปเก็บที่ไหนที่เก็บมีไม่กี่ที่อะที่บ้านเราใอาที่คุณค้นหาเนะี่ยมันจะเป็นรูปแบบของสิ่งสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราอะพอเข้าใจไหม สมมติว่าซ้อยหนัก5าบาทสิบบาทเนี่ยอ่ะไม่รู้ว่าเอาไปเก็บตรงไหนความรู้สึกของคุณนี่ก็จะจี้ลงเรื่องนี้มันก็จะเป็นภาพขึ้นตลอดตลอดอที่ตู้เซฟตู้นั้นเหรอหรือว่าหิ้งพระหรือว่าที่ไหนนี้เขาจะท่องเที่ยวอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เขาหาจุดดุดไม่ได้ หยุดหเนี่ยเราจะเอาโซง อ, อกนึกที่ไหนก็แล้วแต่ตัวของเราให้อยู่จุดนั้นตลอดรู้อยู่รู้อยู่ทำข้างนอกก็รู้ข้างในทำข้างนอ ก, กรู้ข้างในรู้อยู่รู้อยู่ยกเว้นเวลาหลับไม่มีท่าอริยบทใดๆที่จะไปเกี่ยวข้องเขาหยุดเขายกเว้นเวลาหลับนั้นคือภาวนานั้นคือภาวนาน่ะไม่ใช่จะมานั่ง ไม่ใช่อาตมานี่ไม่ไม่นั่งนะอาตมานี่เดินตามลานวัดกําหนดไปเลยไม่มีท่าเดินจกีุ่มถึงเกิมาะไรนะทาเ ล, ล, าละวัดเดินเลาะเที่ยวไปเฉยๆเดี๋ยแลแต่กําหนดจิตข้างใ น, นอยู่ตลอดนั้นคือภาวนาพอแล้วอาบนเกียวฝนนะไม่ได้ออกข้างนอกแน่นะ อยู่แน่นะถึงจะเป็นการรู้สึกนะไม่ใช่ว่าเราอมาสั้งแล้วก็จบเลยนะใช่รู้รู้รตัวสตินี้ต้องยิงเป็นความรู้สึกเข้าไปอยู่ตลอดตลอดตลอดทุกวินาทีไม่เสียหายอะไรเลย เราเดินอยู่ก็ยิงเข้าไปได้เราทานะาเราคุยกับใครยิงเข้าไปได้เลยคล้ายๆกับว่าสองคนเขาควบคุมกันอยู่ข้างในอีกคนหนึ่งคือตัวเรายังคุยกับหมู่คณะข้างนอกได้อย่างสบายเปล่าครับมีคนฝากถามพระอาจารย์ว่าวิญญาณคงอยู่มีดับศูนย์หรือเปล่าครับ วิญญาณมีดับศูนย์หรือเปล่าครับของมเกิใช่เป็นดวงกิจนะครับมีดับศูนย์หรือเปล่า บิญญาณนี้เขาไม่มีเพศนะเขาไม่เคยตายเขาไม่มีเพศแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์แล้วเป็นหมูเป็นหมาไม่ได้ไม่ใช่เขาไปตามบุญบาปตามบุญบาปส่งไปพบไหนเขาก็พร้อมที่จะไปเกิดทันที บุญส่งไปพบไหนเขาก็พร้อมที่จะไปเกิดทันทีเดี๋ยวนี้เวลานี้เราก็เป็นพวกที่ทำบุญมาไม่ใช่ธรรมดาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างหญิงกับชายไม่ใช่จิตนะหญิงกับชายนี่คือก้อนบุญไม่รู้ว่าใคร สร้างบุญมาเท่าไหร่ได้มาเป็นชายสร้างบุญมาเท่าไหร่ได้มาเป็นหญิงจิตดวงเดียวนี้แ่ละบางภพเขาก็เป็นหญิงบางภพ บ, บางชาติเขาก็เป็นชายแต่ขอให้จำสิ่งสำคัญว่าเขาไม่เคยตายสำคัญอีกอย่างหนึ่งให้จำไว้ว่าเขาไม่เคยเบื่อหน่ายในการเกิดแล้วก็พร้อมที่ จะเกิดเป็นอะไรก็ได้เราถึงถามพวกคุณอยู่ตลอดเวลาว่าพร้อมหรื อ, อยังพร้อมหรื อ, อยังนี่ไม่ใช่ว่าพร้อมเหลื อ, พ ร, อพร้อมที่จะไปนะพร้อมที่จะเป็นนั้นเป็นนี้หรื อ, อยังที่คาถามของเรานี่นะ่ะเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้ถ้าบุญไม่พอไปเป็นหมาเนี่ยอ๋อซึ่งใกล้ๆตัวเรานี่หนละถ้าจิต มีระดับสูงขึ้นความเป็นหมาไม่มีนะในหมาเราพูดเองเรามองหมาแล้วเอ๊ความเป็นหมาเขาไม่ได้มีเลยความเป็นแมวเขาก็ไม่ได้มีเลยตลอดถึงพวกเราความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยถ้าพวกคุณภาวนาไปถึงตรงนี้ หลักฐานพยานความรู้จริงเห็นจริ ง, รงของพระพุทธเจ้าชัดเจนมากเราจะบอกให้ <c oughs> ไม่สำเร็จอะแต่คำตอบมันจะบอกว่าสักวันหนึ่งต้องสำเร็จ